ในโลกทิพย์ไม่มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตความคิดเป็นเรื่องของอีกภูมิหนึ่งต่างหากไม่ใช่เรื่องของภูมิที่เป็นวิสัยของอวัยวะรับสัมผัสของกายเนื้อหรือของมันสมองซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความคิดในโลกมนุษย์ความคิดอยู่ในภูมิเดียวกันกับจิตใจและจิตใจก็เป็นเรื่องของโลกทิพย์โดยตรงดังนั้น ในโลกทิพการคิดจึงเป็นการกระทําซึ่งให้ผลโดยตรงและทันทีต่อสิ่งที่ถูกคิดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสิ่งที่ชาวโลกมนุษย์เรียกกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตข้าพเจ้าไม่สามารถใช้คําว่าไม่มีชีวิตได้กับสิ่งทั้งหลายในโลกทิพย์เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือวัตถุทุกชนิดที่นี่มีชีวิตอย่างแน่นอนที่สุด และยังไม่มีข้อสงสัยว่าจะผิดพลาดเลยคือในโลกทิพย์ไม่มีสิ่งที่เราสามารถกล่าวได้เลยว่าไม่มีชีวิตท่านทั้งหลายเรื่องนี้เห็นจะต้องรอให้ท่านผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์เสียก่อนและจึงจะได้เห็นจริงตามที่ข้าพเจ้าบรรยายมานี้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวว่าความคิดสามารถมีพลังขนาดไหนขอรับรองว่าบางคนตกใจแทบตายเลยทีเดียว เมื่อได้เห็นความจริงดังกล่าวนี้ด้วยตนเองในครั้งแรกในโลกทิปความคิดไม่ได้ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างในทันทีที่เกิดขึ้นในจิตใจความคิดเหล่านั้นมีได้ร่อนวนเวียนอยู่ยังไม่เป็นระเบียบแต่เป็นความคิดเล่นๆมันก็จะไม่ไปไกลจากบรรยากาศรอบตัวเท่าใดนักแต่ความคิดที่พุ่งตรงไปยังผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทิพย์นั้นจะไปถึงผู้นั้นทันที เพราะความคิดเช่นนั้นเกิดจากความตั้งใจจริงของผู้คิดไม่ใช่คิดเล่นๆดังในกรณีแรกสำหรับความคิดที่พุ่งตรงไปยังมนุษย์นั้นไม่แน่ว่าเขาจะได้รับหรือรู้สึกเสมอไปและถึงแม้ว่าจะได้รับก็ไม่แน่อีกว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่ามาจากไหนอันที่จริงถ้าความคิดในโลกทิ่ปรากฏให้เห็นได้ทุกขณะในทันทีแล้ว ก็น่ากลัวว่าจะเป็นเรื่องโกลาหลหรือจะต้องเกิดความขับขั้งและหน้าผืดนผอมอาการอยู่เหมือนกัน